สพลายานญาณที่เจนานาที่สังกิเลสาที่ญาณปริชากำหนดรู้อาการมีความเศร้าหมองเป็นต้นแห่งธรรมมีฌานเป็นต้นญาณข้อนี้อาจจะฟังยากสำหรับคนที่มีคุ้นเคยกับสำนวนบาลีและคําแปลที่ท่านเห็นอยู่นี้เป็นคําแปลของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานนวโรรส